ข อ, อนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรยัยขอโอกาสพระอาจารย์ทรงศินป์เพื่อนสะ ร, รมิกเจริญธรรมไม่ชีระยะธรรมทุกท่านเมื่อกี้เราก็ได้สวดทรมาจากกับประวัตนับสูตรซึ่งเป็นสูตรที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นปฐมเทศนาที่ได้ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคียนะ์เป็นรำครั้งแรกในที่พระเจ้าทรงประกาศธรรม หลังจากที่เดชส่งตัสรูแล้วที่ว่ามีความสำคัญยิ่งก็เพราะว่ า, ามีทั้งอริยสัจสี่มีทั้งมรรคเป็นหนทางการปฏิบัติต่างๆมากมายแล้วรวมทั้งพูดถึงในยุคพุทธกาลว่ามีการปฏิบัติแบแ บ, แบแการมสุขันหรือการในโยกล้วยอัตตกิลมัานุโยกด้วย คนจะเห็นว่าเออถ้ามีงานงานสำคัญต่างๆนะที่พระจะสวดมนต์กันในพิธีสำคัญต่างๆก็จะสวดธรรมจักรกันเป็นจำนวนมากนะสวดกันบ่อยๆนะถึงแม้แต่า ง, งานาทำบุรวันเกิดต่างๆก็จะสวดธรรมจักกันเพราะว่าเป็นพสู ท, ที่สำคัญมากแล้วก็เรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะ หรือแม้แต่ต่างประเทศนะตอนนั้นนะเคยไปศรีลังกาก็เคยไปทําวัดนะกับพระที่วัดศรีลังกาตามวัดต่างๆก็ส่วนมากจะชอบสวดธรรมจักกันแต่ก็ไม่ได้สวดแปลนะก็สวดเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวหรือบางทีก็ไปตามเจดีย์ที่สําคัญเจดีย์ที่สําคัญในศรีลังกาเนี่จะมีเจดีย์ใหญ่ๆอยู่เยอะ เจดีนี่ใหญ่มากนะครับทำเป็นทรงบาดความแล้วตอนเย็นๆนี่ก็จะมีาชาวบ้านหรือสาธุชนทั้งหลายนั่นแหละก็เข้าไปทำวัดกันตอนแรกเนี่องว่าเขามีงานอะไรเดินเข้ามาในวัดในเจดีกันมากมายนี่ก็มีงานมา ก, กันเยอะเลยใส่ชุดขาวกันมา ส, นส่วนมากเสียงการนี่จะชอบใส่ชุดขาวกันนะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ไม่แต่นักเรียน นักเรียนที่ไปเรียนตรโรงเรียนเนี่ยเราก็ยังใส่ชุดขาวกันผู้หญิงก็ใส่ชุดขาวทั้งชุดเลยใส่กระโปรงเป็นชุดขาวด้วยเด็กนักเรียนผู้ชายก็ใส่ชุดขาวกันนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเขาปลูกฝังตัง้งแต่เด็กๆแล้วว่าเออให้ใส่ชุดขาวกันนะพอโตขึ้นก็เข้าวัดเนี่ยก็ใส่ชุดขาวกันมาผู้ใหญ่ก็ใส่ชุดขาวเราบางทีก็มีพระด้วยก็ ม, มาที่ลานเจดีย์นั่นแหละแล้วลลก็มาสวดมนกัน บางคนก็เดินจงกรมบางคนก็สวดมนต์แล้วส่วนใหญ่ก็มกักจะสวดธรรมจักนะโดยพอพระเนี่ยบางทีเห็นเป็นนั่งเป็นกลุ่มๆกักนแล้วก็สวดธรรมจักกันเป็นส่วนใหญ่พระที่นั่นสังเกตดูเวลาเขานั่งก็จะนั่งคาตมาร์นะไม่มีพระที่ไหนก็จะนั่งพับเพียบกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะส่วนมากนั่งคาตมาร์กันทั้งนั้นไม่ได้สวดมนมต์ธรรมจักรหรือธรรมเดียนก็เห็นนั่งอนั่งคาตมาร์กันเป็นส่วนใหญ่ เพนะราะนั้นการสวดธรรมาจักของที่นั่นก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะเป็นพระสูตรทีนะ่มีความเป็นหนึ่งเดียวนะที่มีความสำคัญนะก็มีพูดกันตั้งแต่ว่ากล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นก็นิยมทำอาการมาสุขันลิการุโย ก, กัน ก็คื อ, อมีบางคนที่ชอบทำอะไรที่มันสบายๆนะแล้วก็เป็นการสนองกรรมตัวเองนะทำะสแสวงหากรรมมาเต็มที่นะไม่ว่าจะรูปรสกลิ่นเสียงโทธทพธรมลมนะหรือสแสวงหาความสุขในทางเพศอย่างเต็มที่เราคิดว่าเมื่อนะได้สนองความสุขเช่นนั้นแล้วนะกิเลสของตัวเองก็จะหมดไปนะ หรือจะทําให้เป็นที่พอใจของพระผู้เป็นเจ้าต่างๆนะก็คือสนองกามให้เต็มที่ไปเลยนะเมันก็ทําให้หมดหมดให้บํารุงให้เต็มที่ไปจะได้เบื่อทํานองนั้นเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่เห็นมันจะเบื่อเลยยิงบํารุงนะตันหาก็ยิ่งมานะบางคนอย่างสมัยก่อนจักรพรรดิเป็นต้นไม่ว่าจะของประเทศไหนนั่นแหละ ที่หรืออินเดียหรือที่ไหนในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งที่ไหนหรือประเทศไหนหรือแม้แต่สยามประเทศเหมือนกันนะผู้ใดเป็นกษัตริย์ผู้ใดเป็นจกักรพรรดิก็เห็นมีมเหสีมีชายามีสนมบางทีเป็นพันธุพันขวดเลยนะอันนี้มันไม่มีทางที่จะหมดไปได้หรอกตันหาในะยิงสนอมก็ยิงต้องหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะหรืออย่าว่าแต่กษัตริย์หรือจกักรพรรดิเลยแม้แต่ทุกวันนี้ถ้าใครร่ํารวยหน่อยก็แสวงหา ตัวเล็กตัวน้อยบัานเล็กมาน้อยมากมายนะหนักเบิกเกา่าเพราะมันไม่มีทางที่จะหมดไปได้หรอกใช่ไหมอ า, อาหารหรือสิ่งบําเลอทางตาหูทั้งหลายแหล่มันก็ต้องโซแบงหาเพิ่มขึม้นท่านั้นละไม่มีใครหาแล้วจะพอต่อคนหนึ่งมัต้องหาเพิ่มกันเรื่อยๆแล้วก็ต้องดีเบิกเกา่าอต้องสวยเบิกเกา่าต้องอร่อยเบิกเก่าไปเรื่อยๆนะสนองกัรหาไปเรื่อยๆเพราะทั้งคนที่สนใจในการมาตันหา เนี่ยเขาเรียกว่าเพลินอยู่ในการมาสุขาริกานุโยคเนี่ยมันจึงไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้เนาะแล้วก็อีกประเภทนึงก็คืออากากินแลม้มาฐานุโยคนะก็คือแสวงหาสิ่งที่เป็นความทุกข์ทั้งหลายแหลนะทานะสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความทุกข์นะอย่างเช่นในสมัยนั้นก็อาจจะใช้วิธีการนั่งเป็นวันวันนอนเป็นวันวนนะเลยยืนเป็นวันวนนะยืนขาเดียวก็มีนะ นั่งเหมือนเก้าอี้ตะปูนอนบนหนามนะหรือกามือให้เล็บทะลุหลังมือนะมองดวงทิตไม่กระพริบตานะฝังตัวเองอยู่ในพื้นดินนะเป็นบันๆนะหรือบางคนก็สามารถที่จะเข้าชานได้ก็ขุดหลุมฝังเลยให้ลูกสิษ์ฝังลงไปเลยแล้วอีกกี่วันค่อยขุดขึ้นมครั้งหนึ่งก็มนะีเป็นการทรมานตัวเอง บางคนก็ประพฤติเป็นโคนะทา อ, อยู่มันก็อยู่กับโคนะก็คือทำตัวเป็นโคนั่นเองอาดสี่เท้ากินอยู่แบบโคบางคนก็ทำตัวแบบสุนัขนะก็ขาดแบบสุนัขนะแล้วก็ทานวุจาระด้วยประพฤติมันก็เป็นสุนัขนะ ต, ต, ต่างเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าจะได้หมดกิเลสไปหรือว่า นะเมื่อทําในสิ่งเหล่านี้เป็นการทรมานแล้วก็มันก็ใช้กรรมกิเลสจะได้หมดไปนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่พอใจของพระผู้เป็นเจ้านะก็ได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นหนทางที่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นนะก็มีผู้ที่มาถามในการประพฤติเช่นนี้นแหละนะว่าประพฤติเป็นโครหรือสุนัขอย่างไหนจะดีะ ก, วกว่ากันพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อตายแล้วนะก็ไปเกิดนะเป็นสุนัข ก, ก็เป็นโคตามตัวเองต้องการนะั่นแหละนะ มันก็ไปสู่ไบยภูมิทั้งนั้นนะก็เพราะว่าปฏิบัติผิดทางนั่นเองนะครั้นี้ก็ได้ทรงชี้หนทางแห่งความเป็นทางสายกลางในว่าจะทําอย่างไรนะอนะทางสายกลางเดี๋ยวก็จะพูดทีหลังแล้วกันนะครั้นี้ก็สิ่งสําคัญก็คืออริยสัจสี่นั่นเองนะว่าพระเจ้านี่ยตัดสู้อะไรก็ตัดสู้อริยสัจสนะี่นะครั้นี้รัอริยสัจสี่เมื่อกี้เราอรรราจจะโสดถึงอ่า ในตอนในท้ายเนี่ยที่บอกว่าปริวัติสามอาการสิบสองนี่เป็นอย่างไรนะอันนี้เป็นขยายความปริสัตสีได้อย่างละเอียดมากนะคือพระเจ้าตรัสรู้ปริสัตสีก็คือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสี่อย่างนะอันเนี้ยสี่อย่างคันนี้สี่อย่างเนี่ยมาแยกออกไปเป็นปริวัติสามก็คือทุก์เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ทรงเห็นแล้วว่าทุกข์นี่คืออะไรนะ ทุก็อย่างที่เราสวดมนต์กันมาเมื่อกี้นั่นแหละชาติปิทุกขาชราปีตุขามรนามปีตุขังโสกัปริเทวะทุกขโทมนาสุปายาสาปีตุกขาก็คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นะความโศกเศร้าพิลัยลำพันธ์ต่างๆก็เป็นความทุกข์นะการพลัดผ้าการประสบกับสิ่งไม่รักการหวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ ก็คือได้ทรงเห็นทุกนี้แล้วนะอันนี้ก็คือข้อแรกในปริวัตรสามอ่าปริวัตรสามนี้ทั้ง4อย่างนะทุกสมุทัยนี่ลดมากเนะีจะมีปริวัตรสามอยู่ทางนั้นเลยอย่างเช่นทุก์เนี่ยก็คือประการแรกต้องเห็นทุกก่อนว่าทุกเนี่ยคืออะไรนะเพราะฉนั้นอริสัตย์คือทุกเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงเห็นแล้วนะนี่ก็คือปริวัติในข้อแรกส่วนข้อที่สองก็คือทุกข์เนี่ย เมื่อทรงเห็นแล้วก็รู้ว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะอันนี้ก็คือปริวัติในข้อที่สองนะและในข้อที่สามก็คือว่าทรงรู้แล้วว่าทุกเนี่ยทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะทุกคืออะไรนะประการที่สองทุกเป็นสิ่งต้องรู้ประการที่สามได้ทรงรู้แล้วนะทรงรู้แล้วว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะ ก็คือประการแรกคือทุกข์คืออะไรประการที่สองทุกข์เป็นสิ่งต้องรู้ประการที่สามมันคือทุกข์เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วนะอันนี้คือเรื่องทุกข์นะต่อไปก็คือเรื่องสมุทยัยสมุทัยก็ได้ทรงรู้แล้วว่าสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คืออะไรนะอย่างที่เมื่อกี้เราก็ได้ตรวจมาแล้วว่า สมุทยัยคือยายังตัณหาปวโนภวิกานันทิราคะสหกตาตัตละตตราพินันทินีสมุทัยก็คือตัณหานั่นเองนะคือตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดมีการเกิดอีกได้แก่ความกำหนัดความเพิดเพื่นในสิ่งเหล่านี้คือนันทิราคะคือความเพิดเพืินนะในสิ่งเหล่านี้คือเสยธิทางกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวตัณหา กามาตัญหาก็คือความเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐาพะทมมารมภาวตัญหาก็คือความที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายไม่ว่าจะอยากได้อะไรทั้งสินนะ้นแม้แต่อยากได้สติสมาธิปัญญาอันนี้ก็เป็นภาวตัญหาทั้งหมดนะก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเอง พราะในในหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนก็มีเทคนิคข้อสุดท้ายเพราว่าอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีก็เป็นการละภาวะตัณหาเหล่านี้นะเพราะเราไม่ได้อยากได้จริงๆแล้วเนี่ยจิตเราก็จะมีการปล่อยวางเราก็จะบัดได้ง่ายขึ้นนะอืมครั้งนี้ในเมื่ออทุกทุกข์ขัสมุทัยนะหรืออตัณหานี่เป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างไรนะ ก็ปรกรณีเมื่อปรกรณ์แรกในรู้รู้จักสมุทัยแล้วปรกรณที่สองก็คือสมุทัยเนี่ยเป็นสิ่งต้องล ะ, ะข้อที่สามก็คือพระองค์ในทรงละแล้วปวีเวลาสามท่านก็ทำในครบแล้วต่อไปอก็คือทุกข์นิโรธนะทุกข์นิโรธนะในเป็นสิ่งที่พระองค์ในทรงรู้จักแล้วว่าทุกข์นิโรธคืออะไรนะทุกขนิโรธก็คือ โยตัสยาเยวะตันหายอาอเสสวีลาคะนิโรโทรจาโคปฏินิสสะโคมุตติอนารโยทุกนิโรธก็คือเป็นสิ่งที่ต้องคลายออกเป็นสิ่งที่จางคายออกไปเวลาคะก็สืความจางคายของตันหานิโรโทรเป็นสิ่งต้องดับไม่เหลือของตันหาจาโคเป็นสิ่งที่ต้องสละออก ปฏินิสโคคือการสลัดคืนนะมุตติคือการปล่อยการวางอนาโยคือการทําให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยนะอันนี้ก็คือนะทุกข์นิโรดนั่นเองนะเป็นสิ่งที่ทรงรู้แล้วนะหลังนั้นก็เมื่อรู้เมื่อรู้แล้วเนะี่ยอ่เมืก็คือเมื่อรู้จกักนะทุกข์นิโรธแล้วนะเป็นสิ่งที่ต้องทำอะไรในปานการที่สองคือเป็นสิ่งที่ต้องละนะ แล้วในอาการสุดท้ายในปัติที่สามก็คือพระองค์ได้ทรงละแล้วนะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องในทุกนิโรธก็คือตรงนี้นั้นนิโรธก็คือความดับทุกนิโรธก็คือความดับทุกนั่นเองนะเลยเรียกว่าง่ายๆว่า น, นิโรธหรือบางท่านอาจจะเรียกว่านิพพานนั่นเองนะก็คือความดับทุกนั่นเองนะส่วนในประการที่สี่ก็คือมรขทุก มัคคับติปทานะก็คือหนทางแห่งการดับทุกนีนะ้หรือทุกขนิโรธคามมนีปฏิปทาหนทางการดับทุกนีนะ้เป็นสิ่งที่พระองค์ในทรงรู้แล้วนะว่าคืออะไรก็คือมัคแปดนั่นเองนะมัคแปดก็คือสัมมาทิฏฐนะิก็คือความเห็นชอบสัมมาสังก ป, โปนะโมมีความดำริชอบนะสัมมาวาจาคือเจรจาชอบสัมมากัมมันโต ก็คือการงานชอบสัมมาอาชีวโว อ, อาชีพชอบสัมมาวายามโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นชอบนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมรรคองแปดหรืออาจจะยอ่อสั้นๆว่าศีล ส, สติสมาธิปัญญานะอันนี้ก็คือขนทางที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทนระงรู้จักอันนี้แล้วนะ ในปริวัติที่สองก็คือเป็นสิ่งที่ได้ทรงรู้แล้วว่ามาร์กนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เกิดนะแล้วในประการสุดท้ายคือได้ทรงทําให้เกิดแล้วเพราะฉะนั้นในปริวัติสามนะก็คือรู้จักนะประการที่สองรู้จักแล้วทําอย่างไรประการสุดท้ายคือได้ทรงทําได้สําเร็จแล้วนยก็คือปริวัติสาม ในอาการสิบสองคือสามคูณสี่ก็คือทุกสมุทไทยนี้รดมากก็เป็นอาการสิบสองไปนะท่านนี้ก่อนที่พระพุทธ เ, เจ้าจะประกาศตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าได้ทรงรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วและเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยก็ได้ทรงทําให้แจ้งแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อทาให้แจ้งแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทรงประกาศได้แล้วว่าเป็นพุทธเจ้าสามารถประกาศตนเองหรือว่าเป็นพุทธเจ้าได้แล้วนะ เมื่อประกาศตนเองว่าเป็นพูเจ้าได้แล้วเนี่ยก็มีการบรรลือนะบัรลือบรรลือลั่นนะประกาศไปทั่วนะโดยเทวดาทั้งหลายนะตั้งแต่ชั้นภูมิเทวดานะก็ประกาศในเรื่องที่การบรรลุเป็นพูเจ้านะได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะส่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะจากภูมิเทวดานะก็ไปในชั้นสูงขึ้นนะก็ไปชั้นดาวดึงนะ จากชั้นรวดัึงก็ขึ้นสูงไปเรื่อยๆอีกนะจนหมดชั้นเทวดาซึ่งมีหชั้นนะก็ไปสู่ในชั้นพรมภูมิอีกในรูปรูประพมอีกสิบหชั้นนะแล้วไปสู่ว่ารูปประพรมอีกสี่ชั้นนะเป็นยี่สิบชั้นรวมทั้งเทวดาด้วยก็เป็นยี่สิบหกชั้นนะก็ประกาศไปทั่วจักรวาลเลยนะ ผาหลังจากที่ประกาศไปทั่วจกวักรวาลแล้วเนี่ยพระโกธัญญ้นตอนนั้นก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบอกว่ายังกินจีสมุทยะธรร ม, มังสัพพันตังนิโรธธรร ม, มันติก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงพิจารณาเห็นเช่นนั้นก็เลยบอาว่าอัญญาสีวัฏโภคนัญโยอัญญาสีวัฏโภคนัญโยติ โกนธัญญะรู้แล้วหนะโนธัญญรู้แล้วหนออัญญาก็คือรู้นั่นเองนะเพราะนั้นก็เลยเป็นสาวองค์แรกที่สามารถเข้าใจธรรมและบรรลุเป็นผาโซดาบันได้ในขนาดนั้นลหลังนั้นก็พันยากนธัญญาก็บวชหลังจากบวชแล้วองค์อื่นก็เริ่มเข้าใจธรรมต่อๆมาก็บรรลุเป็นผาโซดาบั น, ก, น ก, นะ ก, บกันทุกๆองค์นะก็ขอบวชกันทุกๆองค์นะ บวกกันทุกทนตอนนั้นก็ยังมันเป็นพระโสดาบันอยู่นะต่อไปหลังจากที่ฟังธทมที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่น่าจะเป็นอันดับที่สองก็คืออนัตตลกนัสูตรนะอนัตตลกนัสูตรพระเจ้าก็ได้ทรงแสดงว่าโดยย่ออย่างนี้ว่าดูความพิสูจน์ทางหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือกายและใจนี้นะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ พิกุตอบว่ า, าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าในเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์จึงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้ า, าเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงควรหรือจะตามคิดว่ า, าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นนั้นพระเจ้าข้าเอาเดี๋ยวสลับกันนะเดี๋ยวใหม่ ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้คือกายใจนี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าอเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดที่เป็นทุกข์ควรเลี้ยตามคิดว่านั่นเที่ยงหรือไม่เที่ยง also, toxicity, ไม่เาเนี่ยก็ยังยังเองนะก็คื อ, อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้นะก็คือกายใจนี้นะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าอาเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ นะควรหรือจะตามคิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นนั้นไปเจ้าค่าก็คือสามารถที่จะถามว่ากายลใจนี้นะมันเที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงนั้นก็คือความทุกข์นั่นเองนะในเมื่อสิ่งที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์นั้นเป็นตัวเป็นตนของเราหรือไม่นะเราบังคับบัญชาก็ได้หรือไม่ไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้เมื่อสามารถที่จะเข้าใจชนิดได้แล้วก็คือเข้าใจใน ความที่เป็นพระไตรักณ์นั่นเองนะว่าตัวตนของเรานี้นะมันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะและบงังคับบัญชาก็าไม่ได้ก็จึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะนจึงเกิดการคลายติดในตรงนั้นนะหลังจากรู้จักการคลายติดไปแล้วเนี่ยก็บรรลุเป็นพระหรหันธ์นะเพราะนั้นปยวกีหลังจากฟังหน้าตลาลัคณาสูตรนี้แล้วนะก็บรรลุเป็นพระหรหันธ์หมดทุกองค์เลยนะ อันนี้ก็คือพระสูตรที่สําคัญทั้ง2องพระสูตรนะมีอยู่ใน2องระสูตนี้ถือว่าสําคัญมากนะอันนี้เนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าเป็นการดําเนินนะการดําเนินการออกจากทุกข์ทิฏฐาจริงนะเพราะประการแรกนี้เราจะต้องเห็นรู้จักทุกข์ให้ได้ก่อนนะทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องรู้ให้ได้ก่อนนะว่าทุกข์ในคืออะไร ถ้าเราไม่รู้จักทุกแล้วเนี่ยเราก็ไม่หาคนทางที่เอาจากความทุกแน่นอนนะเพราะนั่นสิ่งที่เป็นทุกเนี่ยจึงต้องเป็นสิ่งเราต้องรู้นั่นนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนมากเลยนะเพราะเราจะเห็นบางบางคนเนี่ยเขาไม่มาวัดปฏิบัติธรรมกันนะเพราะาเขาไม่เห็นทุกนั่นเองนะเขาก็เลยติดอยู่ในกาลมืสุขขันธ์การนโยมนั่นแหละก็คือสนองกิเลสตัณหาตัวเองด้วยรูปเลิลกิ่นเสียงโผฏพผาทะมลมเพราะเขาไม่เห็นรูปนะ แต่ถ้าเขาไม่เห็นทุกข์นะแต่ถ้าเขาเห็นทุกข์ปุ๊บเนี่ยเขาต้องมาทันทีเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนะเราจะเห็นเขาไหมถ้าเราเห็นเขาแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะบางคนบอกว่าเห็นทุกข์แล้วนีแต่ว่ายังเห็นไม่จริงนะอ่านะก็คือเป็นการเรียกว่าเห็นแบบฉาบฉวยเท่านั้นเองนะทุกข์ที่แท้จริงนั้นเราต้องเห็นชัดเจนมาทุกข์นั้นนะนะก็คือ ทุกในวัดองศานั้นนะเป็นทุกที่น่ากลัวนะไม่ใช่ทุกเล็กเล็ก น, น้อยนนะเช่นร้อนนะก็เข้าห้องแอร์มันก็แก้ไดนะ้หิวก็ไปทานอาหารนะเมื่อยนะเราก็เปลี่ยนล่างเปลี่ยนอิรบิบนฏะต่างต่างเหล่านี้นั้นก็เป็นทุกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะแต่ทุกที่เราต้องเห็นอย่างแท้จริงก็คือทุกในนะ ประจําสังขารนี่แหละหรือทุกในวัฏสงสารนี่มันน่ากลัวกว่านั่นคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนเรากลัวตายกันแต่ไม่กลัวเกิดนะส่วนผู้ที่มีปัญญาก็กลัวเกิดไม่กลัวตายนะนะเราจะต้องว่าเออเราทําอย่างไรนะการเวียนว่ายตายเกิดเราจะได้หมดไปนะอันนี้เราจะเห็นทุกอย่างแท้จริงนะเพราะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเห็นทุกตรงนี้แหละ ใช่ไหมอย่างที่เขาว่าพระพุทธเจ้านี่อาจจะไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะอยู่ในวังเนี่ยต้องเห็นคนแก่อยู่แล้วนะอย่างน้อยๆก็ต้องมีพญาของพระองค์นะที่เป็นคนแก่ก็น่าจะต้องมีอยู่นะคนอย่างแม้แต่บิดาของท่านก็เป็นผู้เทียรุ่ยมากก็น่าจะเป็นคนแก่นะหรือปู่ยาตายายก็น่าจะมีอยู่ซึ่งเป็นคนแก่กันก็ต้องน่าจะทรงเห็นอยู่แล้วนะ คนเจ็บก็ต้องมีนะในวังนี่คงไม่มีใครที่เจ็บป่วยคงไม่มีใครที่ไม่เจ็บป่วยหรอกนะก็ต้องเห็นอยู่แล้วนะส่วนคนตายนะพะยากรก็จะมีใครตายก็อาจจะเป็นไปได้นะไม่ได้ไม่มีใครตายเพราะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็น่าจะเห็นในตรงนี้อยู่แล้วนะแต่ทําไมจึงต้องดินน้นระนออกบวชนะก็เพราะว่าทรงเข้าใจแล้วว่าความอเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมีอยู่นะต้องเห็นในตรงนี้นะ จึงได้ดิน้นรนที่จะสแสวงหานะความพ้นจากการเกิดใหม่นะต่อไปนะก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในวัตถงศาสตร์นั่นเองนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะต้องมาค้นหาในตรงนี้นะเพรา ะ, ะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าออกมาค้นหาตรงนี้ก็จะเมื่อออกมาผนวชแล้วเนี่ยก็จะพบสิ่งต่างมากมายนะั้นคือประจนบัโลกใหม่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ต่างๆ แล้วผมก็ได้ทรงอยู่กับความทุกข์เหล่านั้นนะด้วยความเต็มใจนะในขณะที่บวชนั้นก็ทรงเพศนะเป็นเหมือนกับเรียกว่าอาจจะคล้ายๆกับผู้ที่ต้องขอนั่นเองนะที่เรียกว่าภิกขุ ก, ก็คือการขอนะนะก็จะต้องเดินบินทบายไปในที่ต่างๆนะอันนี้ตอนนั้นที่ไปศรีรังกาก็เข้าใจในตรงนี้เลยว่าจริงๆมันก็คือต้องขอนั่นเองนะเพราะว่า ตอนไปก็ไปบินบินต uh. บาทไปบินตบาทนี้เขาก็ให้แยกไปบินสายหนึ่งองค์หนึ่งนะคราวนี้ไปบินครั้งแรกเนี่ยไปบินวันแรกวันแรกด้วยนะเขาให้เดินไปองค์เดียวเหมือนกันไปบินในซอยเนี่ยไปองค์เดียวอไปถึงก็ไปยืนถือบาทนยืนยืนรออยู่บางบ้านเขาก็ต้องนานเขามองเห็นเขาก็เฉยเฉยาก็ไม่ใส่ก็มีนะบางบ้านเขาก็มาใส่ครับ บางบ้านเขาเห็นพระเขาก็ปิดประตูใส่เลยะเราต้องยืนรอด้วยความอดทนว่าก็จะใส่ไหมนะถึงแม้เขาปิดประตูไปเราต้องดูเขาจะเปิดประตูมาใส่อีกไหมแต่และบ้านนี้ก็ต้องยืนรอานานๆหน่อยนะไม่ไม่เหมือนของไทยแล้วนะของไทยนี่มีความสะดวกกว่านะอผู้ที่ใส่ก็เตรียมใส่อยู่แล้วนะส่วนของเขาเราต้องไปยืนรอนะแต่ไม่น่าถ้าเราไปเดินบ่อยๆทุกวันเขาจะมารอเราก็ได้ แต่ที่เราก็คงมีน้อยนะเพราะเราต้องไปยืนรอก็มากกว่าแต่ที่ศรัทธาก็มีนะบางทีไปเจอมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาก็เขจอดแล้วเขาก็ใส่บาตรนี่ก็มีเนี่ยตอนหลังดูอาหารนี่ก็ใส่บาตมันก็เป็นอาหารกลางวันของเขาเนีเพราะว่าใส่แบบแบบสามารถดีฉันได้อิ่มเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นศรัทธาของแต่ละคนที่ดีมากเนี่ยก็เลยเข้าใจในพุทธการยุคนั้นก็เป็นแบบนี้นั่นแหละพระภารเนี่ยต้องไปยืนขอยืนรอในที่ต่างๆแล้วแต่ใครอยให้ นะให้ก็ให้ไม่ให้แก็จากไปนะในยุคพุทกาลก็เป็นแบบนั้นนะก็คืออาจจะมีบางแห่งก็เลยใจดีก็มีการตั้งลงทานในที่ต่างๆเนี่ยคือพระพุทธเจ้านี่ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตฉชนั้นได้ก็คืออยู่กับความทุกข์เรียนรู้ความทุกข์จนเข้าใจนะอันนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วนี่ก็คือความที่พระองค์ได้ตั้งใจจริงๆนะเพราะถ้าไม่ตั้งใจจริงๆก็ต้องเสด็จกลับพระราชวังแล้วเพราเหมือนกับคนที่รวยรวยมากก็ มีแต่คนคอยรับใช้มากมายแต่อยู่ดีก็กลายเป็นลำบากเต็มที่นะต้องหาอะไรด้วยตัวเองการอยู่กินก็ลำบากเนี่ยว่าได้ทรงคนฟคางจริงๆเพราะนั้นจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ได้ทรงมีความอดทนในตรงนี้นะอดทนมากๆด้วยในยุยคพุทธกาลนะแล้วก็เห็นว่าบริขารพระนี่ก็ไม่มีมุ่งกดนะไม่มีกดนะ แสดงว่าต้องอดทนมากเพราะว่าในสมัยนั้นยุงก็มีอยู่แต่ไปไหนเนี่ยไม่มีกฎนะเป็นความที่เราว่ามีความอดทนแบ่งยิ่งเลยนะแล้วนอนโขนไม้กันด้วยนะเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาให้เรานะครนี้ด้วยความอดทนด้วยความพยายามด้วยวิริยะด้วยขันติต่างๆแล้วเนี่ยก็ได้ทรงบรรลุสามารถที่จะเข้าใจธรรมจนบรรลุธรรมด้วยตัวเองนะเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง เหมือนกับเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนกับเพชรหรือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคราวนี้ถ้าสิ่งที่มีค่าที่สุดนั้นนะมาให้กับไกนะ่ที่ไม่รู้คุณค่านั้นไก่บอกว่าไม่มีค่าเลยสู้ข้าเปลือกเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้นะเพราะเราชาวพุทธเนี่ยก็อย่าเหมือนกับไก่นะที่พระเจ้าได้ทรงนำเพชรเนี่ยนะซึ่งหาได้ยากยิ่งแล้วก็เป็นอเอกบุรุษนะหรือมหาบุรุษในโลกเนี่ยที่จะทรงค้นพบเช้นนั้นนะ ผู้นิ่งงไม่มีสารดาองคใดที่จะค้นพบเช่นนี้แล้วนอกจากบู้าในโลกปัจจุบันนี้นะและได้นาเพชรนั้นมาให้กับเราอยู่ที่ว่าเมื่อเราได้เพชรนั้นนะเราจะรู้จากคุณค่านั้นไหมนะหรือเราคิดว่ามีค่าน้อยกว่าข้าเปลือกเพียงเม็ดเดียวนะครานนี้นะเราเห็นคุณค่าในตรงไหนแล้วนะว่าเออเราได้พบผู้ศรัทา น, นี้แล้วได้พบผู้เจ้าแล้ว เ, เราจะทำอย่างไรต่อไปนะ ก็คือเมื่อเราได้เรีนรู้จักคุณค่าจริงๆว่าพระเจ้าได้นําเพชรไม้เล่านะเราก็สามารถที่นําเพชรนั้นมาเจรไนอนะ่าให้มีน้ําสวยงามและต้องมาประดับอิคอนะเมื่อนั้นเราเพชรก็จะเป็นงประกายอย่างเต็มที่นะก็คือเราเอาธรรมะของพระเจ้านี่แหละ น, ะนามาเจรไนนะก็คือนํามาประพฤติปฏิบัตินะให้เราเนี่ยมีความรู้จักนะอริยสัจสี่เกิดขึ้นก็คือรู้จักทุก์ รูนะ้ว่าสมุทัยเป็นสิ่งต้องละรูนะ้ว่านิโรธนะเป็นสิ่งที่ต้องทําให้แจ้งรู้ว่ามรรคเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เกิดเมืนะ่อเราทําได้อย่างนั้นแล้วนะหนทางแห่งความพ้นทุกข์นี่มีอยู่แน่นอนนะทางเดินนี้นะมันเป็นทางเดินที่พระเจ้าได้ทรงเดินมาแล้วแล้วก็บอกว่าเออเดินทางนี้เถิดแล้วเธอะจะพ้นทุกข์นะเมื่อทรงบอกเช่นนั้นแล้วก็อยู่ที่เราจะเดินตามไหมนะถ้าเราเดินตามแล้วก็เป็นสิ่งแน่นอนเราต้องพ้นทุกข์อย่างแน่นอนนะ ถ้าเราไม่พ้นทุกในชาตินี้นะชาติหน้าเราก็มีโอกาสที่จะพ้นทุกได้ไม่ยากนะเพราะจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านสําเร็จทําได้ง่ายนะท่านก็เคยเดินทางนี้มาแล้วทั้งนั้นนะบางทีเป็นการต่อยอดของท่านเท่งนั้นเองนะเพราะนั้นบางทีเราเดินมาแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าเออเราไม่พ้นทุกแน่นอนเรายังปฏิบัติไม่ได้ผลอะไรนะแต่ก็ขอเราปฏิบัติไปนะให้กินเลยในใจเราลดลงก็ใช้ได้แล้วนะนั่นก็คือเราทําได้ตรงนี้ทำได้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่แน่นะในชาติหน้าเราก็ไปทําต่อได้จนพ้นทุกข์ได้นในที่สุดนะตรงนี้เป็นสิ่งที่มันไม่สูญหายไปไหนนะไม่เหมือนกับเราเรียนหนังสือเออชาตินี้เราจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกมาชาติหน้าเราก็ต้องมาเริ่มกอไก่ขอไข่ใหม่นะแต่การปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าเราต่อยอดได้นะเพราะจริงมันไม่ได้หายไปไหนนะมันอยู่ในใจเราทุกๆองค์ทุกๆนะคนนะไม่ได้หายไปไหนเลยนะ การปรมิบัติธรรมนี่มันมันไม่ได้ไปไหนจริงๆนะเราสังเกตดูตอนนี้ให้เรากลับไปทําความชั่วใหม่ไปรักทรัพย์มาไปอไปฆ่าสัตว์นะไปผิดในการมต่างๆเราคงไม่ทําอยู่แล้วนะอันนี้เราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเราก็พ้นมาได้อย่างหนึ่งแล้วนะในความอยากของจิตนะส่วนที่มันละเอียดลเลออต่างๆเราจะรู้แล้วว่าเออความโกรธมันไม่ดีนะไปด่าใครก็ไม่ดีนะใครมาว่าเราเราไป าดาเขากับก็ไม่ดีนะเราไปทํำลายใครก็ไม่ดีเนี่ยจิตมันก็ค่อยๆละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะอีกน้อยแม้แต่ความยินดีดนิดนึงเราก็รู้ว่าความยินดีมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเราก็ละได้เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในใจอยู่ไม่ใช่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ได้นึกถึงนะแต่มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจเราอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่พ้นทุกในชาตินี้เนาะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะถ้าชาตินี้ไม่ได้ก็ชาติหน้าเราก็คงจะได้อยู่นะ ก็ขอทุกท่านเนี่ยมีความปฏิบัติในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อเนื่องกันนะแล้วขอทุกท่า น, นถึงความพ้นทุกได้ในชาติใน้ทุกท่านเทอญ